ช่วงนี้เราเรียนพาเวตาประธรรมในปฏิสัมพิธามัดนะโดยที่ยกข้อความมาจากทัศสุตรัสสูตรกล่าวถึงธรรมที่ควรเจริญเป็นหมวดหนึ่งหมวดสองหมวดสามหมวดสี่หมวดห้าหมวดหกหมวดเจ็ดหมวดแปดหมวดเก้าหมวดสิบทัศสุตระสูตรก็คือพระสิบข้อแล้วก็แต่มันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆก็เลยเรียกว่าทัศสุตระสูตร นี้ยกมาเฉพาะในส่วนที่เรียกว่าพาเวตปธรรธรรมที่ควรเจริญธรรมที่ควรทําให้มียิ่งยิ่งขึ้นไปเพราะว่าธรรมเหล่านี้เป็นธรรมที่มีอุปการะเอะเกื้อกูลให้สรรพสัตว์ทั้งหลายผู้ปฏิบัติตามนําออกจากวัตฏทุกข์ได้พาเวตาปธรรมที่เรียกว่าธรรมที่ควรเจริญนั้นก็ สามารถแบ่งโดยปริยายต่างๆถ้าผู้ใดถือเอาหนึ่งะถ้าไม่ไม่ต้องการซับซ้อนเอาอันเดียวพอแล้วก็ให้ถือเอากายคตาสติสหรคตด้วยความสําราญแต่ถ้าต้องการเพิ่มอีกหน่อยเอา2เอาสองประการก็คือสมถะกับวิปัสสนานะถ้าใครต้องการเพิ่มเอาเป็น3ประการก็คือสมาธิส เท่าสี่ประการก็คือสติประถานสี่ห้าประการก็คือนะสมาธิห้าหกประการก็คืออนุสติหกถ้าเจ็ดประการล่ะโพ<อ>ชฌงเจ็ดแปดอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์แปดเก้านวะบริสุทธิประธานนิยังคะก็คือองค์เป็นประธานแห่งความบริสุทธิ์เก้าประการถ้าสิบก็คือ กระเซนสิบนะดังที่กล่าวว่าหมวดหนึ่งถึงหมวดสิบถ้าดูแล้วสมาธินี่จะให้ความสําคัญเป็นอันดับหนึ่งให้ความสําคัญมากลําดับที่สองที่ให้ความสําคัญรองลงมาก็คือสติอให้ความสําคัญกับสติมากลําดับที่สามลำดับที่สามที่ให้ความสําคัญมากคืออะไรปัญญานะปัญญาก็ให้ความสําคัญมาก แต่ก็สรุปก็คือมรก8นั่นแหละจะยกอันไหนขึ้นมาก่อนก็ไม่เป็นไรแต่ก็คือเน้นเน้นอริยมรอันประกอบไปด้วยองค์8ซึ่งอัตถะของธรรมะเหล่านี้ไม่มีความต่างกันแต่ต่างกันโดยพยัญชนะเท่านั้นแหละทีนี้การศึกษาธรรมะตั้งแต่หมวด1ถึงหมวด10ที่เป็นพาวตปรธรรมดีอย่างไรถ้าตั้งคาถามว่าดีอย่างไร การศึกษาสามารถย่อขยายตั้งแต่นหนึ่งไปถึงสินะเรียก ว, ว่าย่อย่อก็คือ10ย่อมาเหลือหนึ่งขยายก็คือ1ขยายขึ้นไปเป็น10การย่อเป็นขยายเป็นเนี่ยทำให้ภาพที่เห็นชัดเจนต่างจากถือเอาแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถ้าถือเอาแต่อย่างใดอย่างหนึ่งสามารถที่จะเข้าใจผิดพลาดได้การที่พระสารีบดนะยกพระพุทธพจน์ตามที่ต่างๆมาย่อขยายให้ดู ก็เชื่อว่าทำให้เรามีความเข้าใจในพระธรรมโดยที่ไม่สับสนแต่ว่าซับซ้อนเนี่ย น, นี้ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาเพราะพระธรรมเป็นสิ่งที่ลึกซึ้งอยู่แล้วแต่ว่ากันความสับสนไม่งั้นเราก็เจริญ ผ, ผิดผิดเจริญพลาดถึงเราปรารถนาความพ้นทุกข์ก็ตามแต่ถ้าหากว่าเราดำเนินตามทางไม่ถูกอย่างไรก็ไม่พ้นจากทุกข์พระพุทธโคสอาจารย์กล่าวไว้ใน ปฏิสัมพิธามวิสุทธิมักว่าหมู่สัตว์ทั้งหลายผู้ปรารถนาความบริสุทธิ์คือปรารถนาที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานถ้าไม่รู้หนทางแห่งพระนิพพานแล้วจะปฏิบัติบรรลุพระนิพพานได้อย่างไรนี่ก็เหมือนกัน น, นะเพราะว่าธรรมะที่เป็นพาเวตประธรรมก็คือหนทางที่เป็นข้อปฏิบัติให้บรรลุพระนิพพา น, พานถ้าหากว่าเราเข้าใจไม่ถูก อย่างไรก็ไม่ถึงพระนิพพานแน่นอนให้ขยันขนาดไหนก็ตามเพราะว่าศาสนานี้บรรลุด้วยอะไรแล้วองค์ที่ทาให้บรรลุเนี่ยนะก็คือปฏิบัติถูกวิธีการโดยความเ ย, ยบคายด้วยความรอบคอบตรัสรู้เพราะเ ย, ยบคลายตรัสรู้เพราะความรอบคอบไม่ใช่ตรัสรู้เพราะอ่าที่เรียกว่าส้มหลดน น, นะนราชรสมาเกยเรียกอะไระนะฟลุกแบบนั้นไม่มีแล้วในศาสนานี้ ในยุคนี้หมดสมัยแล้วคือเราไม่ได้ทำบุญมาขนาดนั้นถ้าใครแบบตรัสรู้คล้ายๆส้มหล่นเนี่ยนะรอบสมัยพระพุทธเจ้ามีพระชนอยู่เนีย่ยนะบอกง่ายๆสบายๆแต่ท่านเหล่านั้นก็เป็นแสนกลับกันมาทั้งนั้นแหละเนีย่ยนะทีนี้ของเราถ้าหากว่าเราปรารถนาที่จะตรัสรู้ในภพนี้หรือภพต่อๆไปก็ตามการทำความรู้ความเข้าใจในข้อปฏิบัติเป็นสิ่งที่สาคัญที่สุดเนีย่ยนะ เพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยถ้าหากว่าเราไม่ได้ปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าแนะนําเราก็เชื่อว่าทําทุจริตกรรมการไม่ปฏิบัติตามมรรคแปดนั่นแหละเรียกว่าทุจริตกรรมหรือมิเชตะถือว่าเป็นความผิดนันะผิดที่ไม่ได้ปฏิบัติเพื่อความออกจากทุกขถามว่าความผิดเนี่ยถ้าหากว่าผิดจากคําสอนของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างไรความผิดอันนั้นหมายคือว่าถ้าเราสมมุติว่าถ้ามียาดีแล้ว ทานและรักษาโรคได้จริงๆถามว่าการไม่รับประทานยาที่ถูกต้องนี่ถือว่าเป็นความผิดไหมผิดเพราะว่าจะต้องป่วยอีกนานฉันใดยาคืออริยมรรคอันประกอบไปด้วยองแปดที่เป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าเรียกว่าธรรมะโอสถถ้าหากว่าเราบริโภคไม่ถูกนะไม่ตรงยาที่พระองค์แนะนําจริงๆไข้ในวัด ต, ตะก็ไม่เลิกไม่ราเนี่ยนะไม่เลิกไม่ราอยู่นั่นแหละ อ, อยู่ในกองทุกนั่นแหละ ครั้งที่แล้วได้กล่าวถึงธรำหกที่ควรเจริญคืออนุสติหเนี่ยในมหานามะสูตรท่านแสดงว่าเป็นวิหารธรรมอนุสติหนี้เป็นวิหารธรรมเครื่องอยู่ของพระอริยเจ้าทั้งหลายเครื่องอยู่หรือแปลภาษาไทยว่าที่อยู่ของพระอริยะว่าพระอริยานั้นโดยมากท่านอยู่ด้วยพุทธานุสติอยู่ด้วยธรรมานุสติอยู่ด้วยสังขานุสติอยู่ด้วยศีลานุสติอยู่ด้วย จากคานุสติและอยู่ด้วยเทวตานุสติก็ทยอนกลับมาถามพวกเราทั้งหลายว่าถามคือเปรียบว่าภาริยาทั้งหลายท่านมีที่อยู่ที่มั่นคงมากอยู่ด้วยพุทธานุสติธรรมานุสติสังคานุสติศิลาจารคและเทวานุสติที่อยู่ของท่านเหล่านั้นมั่นคงไม่คลอนแคลนเพราะท่านเป็นผู้เห็นอริยสัจธรรมของเรานี้ที่อยู่เป็นยังไงบ้างะนะมีเสากี่ต้น ถล่มพัดซ้ายพัดหน้าพัดหลังเป็นยังไงงอนแงนหรึกปะคลออนแคลนหรึกป่าไม่ทราบอ่ะนะก็ดูว่าวิหารธรรมคืออนุสติทั้งหลายของเรามั่นคงขนาดไหนที่เราจะตามระลึกถึงเพราะว่าการตามระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นต้นเนี่ยนะเขาบอกว่าเป็นอนุตริยะนะเป็นเรียกว่าอนุสตานุตริยะเป็นการตามระลึกที่ไม่มีการตามระลึกอย่างอื่นที่ยิ่งไปกว่าแล้ว ทำไมจึงการระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์การตามระลึกถึงศีลการตามระลึกถึงจากค่าที่เคยบริจาคเสียสละไปหรือระลึกถึงคุณธรรมของเทวดาทั้งหลายที่มาเปรียบกับตนเนี่ยทำไมจึงดีเหลือเกินทําไมจึงยิ่งใหญ่เพราะว่าการตามระลึกนี้พระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นไปเพื่อก้าวล่วงโศกะปริเทวทุกโทมนัสและอุปายาตเพื่อบรรลุญาตธรรมเพื่อ ทำพระนิพพานให้แจ้งนะการตามระลึกนี้จึงมีอุปการะคุณมากถ้าใครตามระลึกถึงพุทธานุสติเป็นต้นด้วยยาณสัมปะยุทธ์ด้วยความรู้ความเข้าใจการตามระลึกของเขานั้นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อตรัสรู้เพื่อพระนิพพานในการตามระลึกอ น, นั้นเนี่ยเจริญพุทธานุสติบ่อยๆธรมานุสติสังขานุสติศีลานุสติเทวตาจาคะ อุปสมานุสติมัวแต่ตามนึกถึงพระพุทธเจ้าอย่างนั้นเมื่อไหร่จะบรรลุบรรลุได้ไหมเออทาไมจึงบรรลุบรรลุได้ไหมมัวแต่เจริญสติตามระลึกถึงพระพุทธเจ้าอยู่นั่นแหละเมื่อไหร่จะตรัสรู้ตรัสรู้ได้ไหมบอกว่าได้เพราะสติที่ตามระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าเป็นต้นเป็นสติสัมโพชงนับเนื่องในหนึ่งในองค์ที่จะทําให้เกิดการ ตรัสรู้องค์ที่ทําให้เกิดการตรัสรู้มีเจ็ดประการคือโพชฌงเจ็ดเนี่ยนะซึ่งวันนี้มาขึ้นโพชฌงเจ็ดธรรมะหมวดเจ็ดที่เรียกว่าเป็นองค์แห่งการตรัสรู้องค์องค์ที่ทําให้เกิดการตรัสรู้หรือองค์ประชุมของท่านผู้ตรัสรู้อธิบายว่าพระอริยาสาวกย่อมตรัสรู้ด้วยธรรมะสามคัคคีแสดงว่าถ้าเขาไม่สามัคคีกันมิบรรลุไม่ได้ แต่เมื่อกี้นี้พูดยกย่องสติอันหนึ่งในในธรรมะในคุณธรรมเหล่านั้นแต่ที่แน่ๆธรรมะเหล่านี้ต้องสามัคคีกันคือธรรมะที่ต้องสามัคคีกันมีเจ็ดประการอะไรบ้างหนึ่งสติ 2. ธรรมะวิจยะสามวิริยะสี่ปีติห้าปัสสธิหสมาธิเจดอุเบขาหรือตัตรมะมัชะตาตานั่นเองธรรมะที่เป็นองค์สามัคคี ที่เมื่อธรรมะสามคีเหล่านี้ประชุมกันทำให้เกิดการตรัสรู้ได้นั้นถือว่าเป็นธรรมะที่เป็นปฏิปักต่ออันตรายมากมายนะเป็นปฏิปักษต่อสิ่งเลวร้ายที่อยู่ในใจมากมายเช่นความหดหู่ีนามิทานั่นแหละปฏิปักต่ออุทธจักความติดแน่นการสะสมวตะการมสุขลิกาโนโยคอตตะกิระมัานโยก เป็นปฏิปักษต่ออุเฉ ท, ทิฐิสัสตตทิฐิต่ออภิวินอภิณิเวสการยึดถือด้วยตัณหาและทิฏฐิเพมันอริยธรรมะสามะคีทั้ง7ประการนั้นเกิดขึ้นในขณะโล ก, กุตระมักนั้นทําลายปฏิปักษธรรมได้ธรรมะทั้งหมดนี้เลยเรียกว่าพุโพธิการตรัสรู้หรืออีกในหนึ่งวักพุชติแปลว่าย่อมตื่นก็ได้เพราะผู้ที่บรรลุโพชงทั้ง7จ็เนี่ยนะตื่นจากความหลับ เตื่นจากความหลับเราปลุกไปเตือนเตือนตือ น, ต, นต้องตื่นด้วยพดชองเจดนะจริงเตื่นจริงนะไม่ใช่ตื่นแล้วลืมตาขึ้นถ้าอย่างงี้ก็ยังหลับอยู่ดีนั่นแหละบางแห่งก็บอกว่าผู้ที่ตื่นแล้วลืมตาแต่ใจเป็นอกุศลก็ชื่อว่าหลับอยู่แต่พุทธิในที่นี้ก็คือลุกขึ้นจากความหลับคือกิเลสจากความเศร้าหมองเพราะขณะที่ใจเศร้าหมองขณะนั้นชื่อว่าเป็นความหลับเนี่ยนะ อีกในหนึ่งคำว่าพุชตินี่หมายถึงลุกขึ้นเพื่อแทงตลอดอริยสัจทั้งสี่ประการอริยสัจนี่ใช้คำเน้นไปที่กิจเนี่ยนะกิจในการกำหนดรู้ละทำให้แจ้งและการเจริญหรือนิพานะสัจฉิกิริยาการกระทำพระนิพานให้แจ้งการทำพระนิพานให้แจ้งองแห่งการตรัสรู้กล่าวคือธรรมะสามขีนั้นนะชื่อว่าโพชังคาบ้าง ที่เรียกว่าโพชังคาเนี่ยนะมาจากโพโพ ธ, โ ธ, โธิบวกอังคะนั่ น, นแหละก็คือการตรัสรู้เนี่ยจะต้องมีองค์ประกอบเหมือนอะไรเหมือนฌานก็มีองค์ของฌานปฐมฌานก็มีองค์ทุติยฌานก็มีองค์ตาติยฌานก็มีองค์อริยมรรคก็ยังมีองค์ของมรรคฉันใดโพธชงก็เหมือนกันมีองค์แห่งโพชงอริยสาวกตรัสรู้ด้วยธรรมสามคี มีประการดังกล่าวแล้วท่านเรียกว่าโพธิองค์แห่งโพธินั่นแหละเรียกว่าโพชังคะองค์แห่งการตรัสรู้เหมือนอะไรเหมือนองค์แห่งเสนากองทัพก็มีองค์ของเขารถก็มีองค์ประกอบแห่งรถถ้าไม่มีองค์ประกอบจะเป็นรถได้ไหมไม่ได้ด้วยเหตุนั้นพระอัฏฐกะถาจารย์จึงกล่าวว่าองค์แห่งบุคคลผู้ตรัสรู้ชื่อว่าโพชังคาก็คือองค์ที่จะทําให้ผู้นั้นบรรลุได้ อีกอย่างหนึ่งเพิ่งทราบอัฏฐะแห่งโพชฌงเป็นต้นว่าชื่อว่าโพชฌงเพราะอัฏฐว่าอะไรชื่อว่าโพชฌงเพราะอัฏฐว่าย่อมเป็นไปเพื่อการตรัสรู้อันนี้เป็นข้อความที่ภาษาริ บ, บุตรแสดงไว้ในปฏิสัมพิธามมรรคเป็นต้นที่เรียกว่าโพชฌงชื่อว่าโพชฌงเพราะองค์ที่เป็นไปเพื่อการตรัสรู้พอถ้าไม่มีองค์เหล่านี้แล้วตรัสรู้มีได้ไหมไม่ได้ เหมือนอย่างว่าผู้ใดปรารถนาที่จะออกจากทุกข์ถ้าไม่มคีคุณธรรมเครื่องนำออกจากทุกข์ออกจากทุกข์ไม่ได้โพชฌงทั้งเจ็ดนี่แหละเป็นคุณธรรมที่จะนำออกไปจากทุกข์ทั้งหลายธรรมะสามัคีกันนะทั้งเจ็ประการนี้มาไล่ทีละอย่างทีละอย่างให้มีก่อนให้มีแต่ละอย่างก่อนแล้วก็ให้แต่ละอย่างนี่สามะคีกัน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 สติอันนั้นอะที่เป็นไปเพื่อการตรัสรู้นี้เกิดจากปัจจัยอะไรถ้าตั้งคําถามว่าทําอย่างไรจะมีสติที่เป็นสติที่เป็นปัจจัยเพื่อการตรัสรู้ในมหาวรารวคมหาวรารวคสุดสังยุตตานิายพระองค์บอกว่าโยนิโสมนัิการในธรรมเป็นที่ตั้งแห่งสติถ้าหาว่าโยนิโสมนสิการ ในธรรมะที่เป็นที่ตั้งแห่งสติได้สติสัมโพธชงก็จะเกิดขึ้นถามว่าธรรมะที่เป็นองค์ที่จะทำให้เกิดสตินั้นคืออะไรก็คือตัวสตินั่นแหละเป็นผู้ที่น้อมไปเพื่อให้มีสติพูดพูดไม่ยากทำไม่ง่ายมาดูอีกนัยยะอื่นๆดีกว่าบอกว่าถ้าหากว่าจะทำให้สติสัมโพธชงเกิดขึ้นนี้ต้องทำยังไงบอกว่าผู้นั้นต้องฝึกเจริญสติสัมปชัญญะให้ดีด ชั้นแรกนะฝึกเจริญสติสัมปชัญญะ2บอกว่าเว้นจากบุคคลผู้หลงลืมสติ3าควบหาบุคคลผู้มีสติตั้งมั่น4ี่น้อมไปในเรียกน้อมไปหาสติโอนไปหาสติมุ่งให้มีสติเกิดขึ้นในอิริยาบถ ท, ทั้ง4ที่บอกว่าให้มีสติสัมปชัญญะนี้คงไม่ลืมใช่หนึ่งสาธกาะสัมปชัญญะสองโคจระสัมปชัญญะ3มสัปปายาปะสัมปชัญญะ4อสัมโมหะสัมปชัญญะ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 ถ้าสนทนาแล้วควรจะพูดเรื่องอะไรจึงจะเป็นสปายะเป็นที่สบายหมายคาะว่าธรรมะที่ถูกต้องนั้ น, นมีแต่ความสบายสบายทั้งโลกนี้สบายเออเรียกว่ามีแต่ความสบายใจไม่ได้เป็นไปเพื่อความหนักอกหนักใจมีแต่ความสุขมีแต่ความสบายเรียกว่าสปายะต่อกุศลธรรมทั้งหลายเป็นที่สบายต่อสมถะและวิปัสสนาอันนี้สปายะสัม ป, ปชัญญะ ต่อไปถ้าพูดคุยแล้วเจริญกรรมฐานได้ไหมระหว่างที่พูดคุยเนี่ยนะเป็นไปกับสมถะและวิปัสสนาได้ไหมที่เรียกว่าโครจรไปด้วยสมถะวิปัสสนาโครจรไปตามกรรมฐานด้วยได้ไหมถ้ากําหนดเรื่องดีตั้งแตกแรกเจริญกรรมฐานประกอบด้วยคุยกันไปสนทนากันไปเจริญกรรมฐานไปด้วยไม่ใช่ไม่ใช่ปัญหาเล ย, ยนะถ้าถ้ามีความรู้ความเข้าใจอย่างเพียงพอนะนี่ต่อไปแล้วถามว่าไอ้ที่พูดคุยเนี่ย เสียงที่ม bueno. ันด ah ังขึ้นเพราะอะไรเป็นสมุตฐานองค์ประกอบที่ทําให้มีเสียงเกิดขึ้นคืออะไรจิตจิตตชาวายโยธาตทําวจีวิญยัตเปล่งเสียงออกมาแล้วจิตอันนั้นโดยอาศัยอะไรวัตถุและอารมณ์เกิดขึ้นจิตเกิดขึ้นโดยอาศัยวัตถุและอารมณ์เมื่อจิตเกิดขึ้นแพ่จิตตชาวาโยธาทำวจีวิญยัตเปล่งเสียงออกมาก็เป็นคลีเสียงคลื่นเสียงที่สูงสูงต่ําๆเป็นเรื่อง นะก็เชื่อมเชื่อมเชื่อเชื่อ ม, อมก็กลายเป็นฟังเป็นเรื่องเป็นราวไปอะไรไปแล้วถามว่าในสิ่งเหล่านั้น่ะเสียงที่เปล่งออกมาเป็นอะไรขันรูปประขันเสียงที่เปล่งออกมาหรือวิญญาตทั้งหลายก็เป็นรูปประขันจิตที่เป็นสมุทฐานเป็นวิญญาณขันจิตเหล่านั้นเนี่ยมีองค์ประกอบอมีความรู้สึกเป็นยังไงดีใจหรือเสียใจอันนั้นเป็นเวทนาขัน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 ไอความเป็นไปทั้งหมดเหล่านั้นอะ่ะมันเป็นขันอยตนะธาตุสัจจอินทรปติจจะสมุบาติอย่างไรเนี่ยนะก็ะตั้งเป้าไว้คิดว่าคิดก่อนที่จะทําำะนะมีการไข้ครควนเบ็ดเสร็จแล้วเพราะคําว่าสติสามโพชงที่นี้ณนะที่นี้เนี่ยหมายถึงสติที่ประกอบกับสัมปชัญญาเนี่ยนะมีสัมปชัญญะอยู่ในตัวอยู่แล้วแต่ถ้าธรรมวิจัยเนี่ยอ่าเป็ น, เ ป, นเป็นวิปัสสนาระดับสูงละ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 มันใครที่เรียนอภิธรรมมัตสังกะหะมาก็ถ้าในแง่อสัมโมหะสัมปชัญญะนั้นอ่ะถ้าส่งเคราะห์ลงได้ค่อนข้างได้เปรียบสูงคือถ้าเรียนเพื่อเอามาใช้เนี่ยนะมันแม้กระทั่งว่าหลับตาลืมตาเนี่ยนะและเหลียวเนี่ยหลับตาลืมตาเนี่ยส่งเคราะห์ลงเก้าปริเชดได้ไหมก็ต้องฝึกมาคิดอย่างนี้ไอ้ที่เรียนอภิธรรมมัตสังกหะเป็นเรื่องที่ดีแต่ถามว่าเนี่ยอภิธรมรมตสังกหะเมื่อเราเรียนจบแล้วเนี่ย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 สามารถที่จะเกิดขึ้นได้ประเชษท่าก็วิเคราะห์โดยภูมินะโดยภูมิโดยจุติปฏิสนธิโดยกรรมนะวิเคราะห์โดยกรรมเป็นต้นประเชษหกว่าตาที่เห็นมีกี่รูปสีที่เห็นมีกี่รูปนะรูปแต่ละอย่างเป็นอย่างไรเนี่ยนะอ่ากรรมมชิรูปจิตตชรูปอุตุชรูปอาหารชิรูปเป็นอย่างไรกะลาบรูปมีอะไรบ้างแล้วถ้าพูดประเชษเจ็ดหละกุศลสังอา อ, อกุศลสังคหะสัพพะสังหะ น, นะโพรที่ปรัชญาธรรมสังขะมีอะไรบ้างเพื่อเฉลกแปเป็นปฏิจจสมุปบาทอย่างไรเปเฉลกเก้าคิดยังไงมันเป็นส ม, มถะและวิปั ส, สนาเนี่ย น, นะถ้าหาว่ามีการให้ครูคฝึกฝนในลนนักษณะนี้มากๆอสัมโมหะสัมปัญญะก็ก็จะเจริญขึ้นเนี่ย น, นะถ้าหากว่าใครที่ปรารถนาจะพิจารณาอย่างกว้างขวางและลึกซึ้งก็ก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้าหากว่าไม่ขนาดนั้นเนี่ยนะบางคนก็บอกว่า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 แยกแยะเมื่อจําแนกแยกแยะได้ยะยะวัตถุประสงค์ของการแยกแยะเพื่ออะไรเพื่อจะได้โก้โก้ใช่ไหมจะได้ดูถูกคนอื่นว่าเขาโง่สู้เราไม่ได้เราเก่งกว่าเพื่อน exactly. ใช่ไหมแบบไม่ใช่วัตถุประสงค์เนี่ยนะเ mm. <Rey> มื่อจําแนกแยกแยะสิ่งเหล่านี้ได้จะได้เจริญในสิ่งที่ควรเจริ ญ, จ เ, จรญจเจริญอะไรก็เจริญสติไงสติที่เจริญเพื่ออะไรตั้งไว้เพื่อการตรัสรู้ตั้งไว้เพื่อนําออกจากกองทุกเนี่ยนะนั่นคือวัตถุประสงค์แล้ว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 อันสุดท้ายที่สำคัญมากน้อมไปเพื่อจะให้มีสติในอิรยาบถ ท, ทั้งสี่ไม่ว่าจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนก็น้อมไปเพื่อให้มีสติดังที่กล่าวไปแล้ว น, นะตั้งเป้าไว้ว่าจะต้องมีสติต้องมีสติต้องมีสติตสตเนะเวลาสมัยก่อนเนี่ยเขาตั้งไว้เลยจากนี้ไปถึงโ น, นเนี่ยเขาจะต้องเจริญสติอะไรบ้างมาจากสมมติเดินภายในระยะเวลา20เมตรเนี่ยนะจากนี้ไปอีก20เมตรเจริญกรรมาฐานอะไรได้บ้าง เราลองคิดดูว่าจากนี้นั่งรถไปถึงบ้านเนี่ยจะมีสติสัมปชัญญะอะไรขึ้นมาบ้างเพราะมีการไข่ครวนมีการเจริญอย่างดีคนที่เจริญได้อย่างถูกต้องมีระบบมีรูปแบบเขาจึงกําหนดแทบจะกําหนดเวลาบรรลุได้เลยถ้าถ้าถ้าเขาไข่ครวนพิจารณาอย่างรอบคอบแบบคนที่มีสุตมะยะปัญญาอย่างดีเนี่ยนะไม่ไม่ใช่ปัญหาปัญหาก็คือว่ามีศรัทธาที่จะเจริญหรือเปล่าแค่นั้นแหะ สรุปว่าสติปัสติสัมโพชงเรียกว่าสติที่เป็นองค์แห่งการตรัสรู้อันนี้นี่พระทางธรรมท่านถือว่าเป็นรัตนะอันหนึ่งเลยนะอะไรก็ตามที่ใช้กเกี่ยวกับคําว่ารัตนะไม่ใช่เกิดง่ายแปลว่าหายากเนี่ยนะเครื่องปลื้มใจทั้งหลายทรัพย์รัตนะทั้งหลายเป็นเรื่องที่รวมๆแล้วแม้แต่ในโลกนี้นะทรัพย์และรัตนะในโลกนี้ก็เป็นสิ่งที่หายากเพราะฉะนั้นเราอยากอยา ก, อยากคิดในลักษณะลาบลอยเนี่ยอย่าไปคิดอย่างนั้นเลยให้ให้คิด มีการพิจรารณาไข้ครวนตรวจสอบว่าเราจะเจริญได้อย่างไรปฏิบัติได้อย่างไรอย่างถูกต้องน้อมไปเพื่อให้มีสติเหล่านี้เป็นอย่างไรเป็นต้นเพราะสติอันนี้ถ้าเจริญเติบโตบริบูรณ์สติอันนี้คือสติปัฐานสี่เนี่ยนะก็ถ้าถ้าไข้ครวนละเอียดละเอียดไปแล้วเนี่ยสติที่กล่าวไปก็คือสติปฐานสี่น้อมไปเพื่อพิจารณากายทั้ง14บสีบัพพะพิจารณาเวทนาทั้ง เเนี่ยนะพิจารณาจิตทั้งสิประเภทพิจารณาธรรมะทั้งห้ากลุ่ม น, น, นะนะนิวรณ์โพชงอายตนะเป็นต้นเนี่ยนะแต่ว่าในที่สุดก็คือตั้งเป้าไว้เพื่อการตรัสรู้อริยสัจเราก็มาตั้งมาคิดอีกในหนึ่งขึ้นชื่อว่าคําว่าตรัสรู้ตรัสรู้อะไรโดยทั่วๆไปเราก็ได้ยินคําว่าตรัสรูตรสร้ตรัสรูร้เนี่ยตรัสรู้อะไรตรัสรู้อริยสัจ ท, ทั้งหลาย ทีนี้ถามว่าแล้วสติสัมปชัญญะที่เราเจริญเจริญที่เรยกว่าเจริญสติไม่เลอะเลือนไม่หลงลืมมีสติตลอดเลยรู้ตัวไปหมดทําอะไรก็รู้ไปหมดคำว่างั้นพอไม่จะพอไม่จะเห็นอริยสั ต, ต์นะคะแต่ตั้งคําถามว่าเออตอนที่โยมนั่งนั่งอยู่นี่มีสติไหมถ้าถ้ามีใครถามอั้นะมีสติไหมที่นั่งๆั่งอยู่เนี่ยเป็นสติสัมโพชงไหมนะ เ, เป็นสติหรือไม่ก็ต้องดูว่าถ้าเป็นกุศลจิตเกิดขึ้นเรียวกว่ามีสติว่างั้นเถอะ ถ้าขณะที่กุลศลจิตเกิดขึ้นนี่มีสติแต่สติอันนี้เนี่ยนะเป็นสติสมโพชงไหมก็ต้องมาดูว่าตั้งเป้าไว้เพื่อการตรัสรู้ไหมตั้งเป้าไว้เพื่อการแทงตลอดอริยสัจไหมมีมีมีเคิดว่ามีทิศ ท, ทางเพื่อการบรรลุอริยสัจไหมนั่นแหละถ้าเป็นสติที่มีเป้าหมายทิศ ท, ทางเพื่อการรู้แจ้งอริยสัจเพื่อกําหนดรู้สิ่งที่ควรกําหนดรู้เพื่อละ สิ่งที่ควรละเพื่อทําให้แจ้งสิ่งที่ควรทําให้แจ้งเพื่อภาวนาเพื่อเจริญคุณธรรมที่ควรเจริญถ้าสติใดที่เป็นไปเพื่อทํากิจสี่ประการนี้สติอันนั้นก็เป็นสติสัมโพชงเพราะว่าวตั้งเป้าหมายไว้อย่างถูกต้องพูดแบบภาษาภาษาพระธรรมน่อก็คือเจริญสติสัมโพชงอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคาอาศัยนิโรธะน้อมไปเพื่อการสละะนะ ถ้าแสดงตามท่าสูตรหลายๆสูตรเช่นนันทโกวาทสูตรเป็นต้นเนี่ยบอกว่าเจริญสติสัมโพชงอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราค้าอาศัยนิโรธะน้อมไปเพื่อการสละเจริญสติอันนี้เนี่ยนะที่กล่าวไปแล้วเนี่ยเพื่ออาศัยวิเวกอาศัยกายะวิเวกจิตจิตตวิเวกอุปธิวิเวกนี่ในที่หนึ่งในที่สองเจริญเพื่ออาศัยตะทางข้าวิเวกวิคขำพนวิเวกสมุทเฉทวิเวกปฏิปัสสทิวิเวกและ นิสรณะวิเวกก็แปลว่าเจริญสติอันนี้เป็นไปเพื่อสมอะเป็นไปเพื่อสมถะเป็นไปเพื่อวิปัสนาเป็นไปเพื่ออริยมรรคเป็นไปเพื่อทําให้แจ้งสามัญผลและพระนิพพานคือคือมีเป้าหมายเพื่อโล ก, กุตระรมโดยส่วนเดียวะนะตั้งคุณธรรมเหล่านี้พูดแบบทางโลกก็คือเหมือนกับว่าใครที่ อ, อยากจะเดินทางไปที่ที่ที่ททไหนสักแห่งหนึ่งะนะที่เรียกว่าไปแล้วสบายอย่างเดียวเลยเนี่ยนะ แต่ว่ามันต้องมีค่าใช้จ่ายก็เก็บพร้อมรอมริฟใช่ไหมขณะที่เก็บหร้อมรอมริฟค่อยๆเก็บไปเนี่ยมีเป้าหมายในการเก็บชัดเจนใช่ไหมชันใดก็ดีผู้ที่เจริญสติเพื่อการตรัสรู้เนี่ยนะสติตั้งไว้ก็เป็นเป็นคะแนนสะสมเนี่ยนะสะสมตัวสติเองให้สติมีคุณภาพยิ่งๆขึ้นไปแล้วก็มีเป้าหมายที่ที่ชัดเจนเนี่ยนะเป้าหมายที่ชัดเจนคือการ รู้แจ้งแทงตลอดอริยศาสตร์แต่โดยทั่วๆไปเนี่ยทําไมท่านไม่ค่อยพูดว่าเป้าหมายต้องชัดเจนทําไมเพราะคําว่าธรรมังสารนังคัจฉามิมันคํายิ่งใหญ่อยู่แล้วเนี่ยนะเป็นคําที่ยิ่งใหญ่อยู่แล้วถ้าถ้าไม่พูดแต่ปากลอยๆเนี่ยนะไม่ไม่พูดโกโกไปเฉยๆเนี่ยธรรมังสารนังคัจฉามิก็หมายถึงว่าเป็นผู้ที่มีอัธยาศัยน้อมไปเพื่อมรักผลนิพพานอยู่แล้วเพราะว่าคําว่าธรรมะธรรมะเนี่ยนะอะ สวากขาโตพระวตาธรรมโมหมายถึงปริยัติอริยมรรคอริยผลและพระนิพพานนั้นคือสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้วพันที่เราเลื่อมใสถึงก็เอาธรรมะเหล่านี้เป็นสารณะก็ชื่อว่าเรามีเป้าหมายชัดเจนตั้งแต่ต้นแล้วแต่ที่สําคัญที่สุดว่าเมื่อเรามีเป้าหมายอันนั้นกับจริงที่เราปฏิบัติมันยังอยู่ในทิศทางเดียวกันไหมมีมีแผนงานมีทิศทางชัดเจนตามนั้นไหมเป็นต้นถ้าถ้าชัดเจนอยู่แล้วก็ไม่ใช่ปัญหา นะพันสติสัมโพชงที่อบรมคุณธรรมเหล่านี้ก็มีเป้าหมายชัดเจนเพื่อการตรัสรู้เนี่ยนะตรัสรู้ก็แสดงว่าจะต้องพัฒนาเพิ่มคุณภาพของสติไปเรื่อยๆเนี่ยนะว่าสติที่เจริญอยู่นี้เป็นยังไงมั่งกํากลังเจริญขึ้นหรือกําลังเสื่อมหรืออะไรเป็นเหตุให้สติเจริญขึ้นทําไมสติมันจึงไม่เจริญขึ้นเพราะอะไรเป็นต้นเน่ยนะพันในหลักการอ่ะ สติประฐานจึงบอกว่าเมื่อสติสัมโพชฌงมีอยู่ณภายในก็รู้ชัดว่ามีอยู่ณภายในถ้าไม่มีณภายในใจก็รู้ชัดว่ามันไม่มีที่ยังไม่มีเนี่ยจะมีด้วยประการใดก็รู้ชัดที่ยังไม่เกิดจะเกิดได้อย่างไรที่เกิดขึ้นแล้วจะเต็มเปี่ยมบริบูรณ์สมบูรณ์เมื่ อ, อไหร่อย่างไรก็เข้าใจอย่างชัดเจนเนี่ ย, ยถ้าถ้าปฏิบัติตามนี้ได้ก็เป็นวิเศษภากยะ โดยส่วนเดียวมีแต่เจริญขึ้นอย่างเดียวเจริญสติอันนี้จากปริตตะเล็กๆน้อยๆเนี่ยจากยาณวิปปยุทธ์เพิ่มคุณภาพให้เป็นญาณสัมปยุทธ์จากไม่มีปัญญาประกอบให้เป็นเป็นสิ่งที่มีปัญญาประกอบที่มีปัญญาประกอบอยู่แล้วก็จากสะสังขาริกให้เป็นอสังขาริกเพิ่มปริมาณเรื่อยๆจากปริตตะเป็นมหคตะให้ไม่ได้รับชาญได้ยิ่งดีนะทีนี้จากปริตฐะมหคตะทำยังไงเพื่ออัปมานะรมเพื่อ โลกุตระธรรมเพิ่มพูนอยู่ตลอดเวลานะทัานคนที่เจริญแบบนี้เนี่ยน ะ, ะท่านใช้คำว่าโพชงเนี่ยไม่ใช่คนที่หลับเจริญอ่านะแปลว่าแปลว่าตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาในการในการเจริญเนี่ยนะมีความตื่นตัวแต่ก็ตื่นคือชีวิตเนี่ยต้องคิดอีกทีหนึงว่าเจริญแบบซึมๆกับเจริญแบบตื่นตัวอย่างเต็มที่อันไหนน่าจะมีความสุขกว่ากันแต่บางคนมันก็เลยทงอีกพราะตื่นตัวเต็มที่เลยกลายเป็นฟุ้งฟาดอีก หรือกลายเป็นอะไรนะเครียดอีกหงุดหงิดอีกกาคาญอีกมันเ อ, อ้ยังไงกันแนะ่หาความพอดีให้พบก็แล้วกันว่ากุศลธรรมเหล่านี้ถ้าเจริญถูกต้องตื่นตัวและมีความสุขอันนี้เป็นเป็นเครื่องวัดและไม่ฟุ้งซ่านเนี่ยนะต้องต้องตื่นตัวมีความสุขและไม่ฟุ้งซ่านอันนสังเกตว่าคุณภาพจิตจะต้องเป็นอย่างนั้นเป็นจิตที่มีความตื่นตัวแต่ก็ไม่ได้ตื่นเต้นอะไรนะก็สังเกตให้ดูว่าตื่นเต้นอีกก็คนละอย่างกัน ถ้าตื่นเต้นเป็นยังไงใจสูงๆทำต่ำเลยฮะมไม่ใช่อย่างนั้นอีกนะมีความสม่ําเสมอทางจิตใจเนี่ยนะนะเป็นจิตใจที่ไม่ลุ่มๆ ด, อน ๆ, ดอนๆนะก็ก็กธรรมะระดับสูงเนี่ยนะเขาเลือกเฟ้นเอาคุณธรรมจากใจแลนะบีบใจเอาคุณธรรมเหมือนกันนะใครเคยเห็นเขาคั้นรวงพึ่งไหมเขาคั้นรวงพึ่งอะนะพึ่งก็เป็นรังๆนะเขาก็มาคั้นเอาแต่น้ําพึ่งชั้นใดก็ใจที่มันหลังให้ประเภทเนี่ยมันมีทั้ง มีทั้งใจดีใจไใม่ดีใจเลวใจบุญใจบาปเป็นต้นก็มักเลือกเฟ้นเอาแต่ใจที่เป็นบุญทีนี้เมื่อเลือกเฟ้นเอาใจที่เป็นบุญนี่ก็ถือว่าโอ้เก่งเลยนะใครที่ทําได้แต่บุญเนี่ยนะแล้วก็มาเลือกเฟ้นบุญอีกครั้งหนึ่ง <S <S เพื่อเอาบุญที่เป็นไปเพื่อการตรัสรู้แล้วบุญที่เป็นไปเพื่อการตรัสรู้มันจะสร้างขึ้นได้อย่างไรเนี่ยนะเพราะว่าการเจริญสมถามวิปัสสนาถ้าพูดใกภาษาหนึ่งก็คือการเจริญภูมิคุ้มกันจนเต็มที่นั่นแหละสร้างภูมิคุ้มกันทางใจนะ สร้างสติสัมปชัญญะไปสร้างจากไหนก็สร้างจากใจอ่ะนะสร้างภูมิคุ้มกันใจนี่ให้มันเต็มที่เต็มที่เต็มที่จนพลังงานบุญตัวนั้นเนี่ยมันยิ่งใหญ่ก็เรียกว่าอาตาปีเนี่ยนะจนมันเต็มที่เลยสามารถกระเทาะสนิมจากใจออกได้อนะ่ะเมื่อมันเจริญเต็มที่เรื่ออาตาปีเนี่ยนะความเพียรทําให้ความเศร้ามองเนี่ยมันลดลงไปกําจัดเหมือนกับว่า ถ้าจะไล่สนิมออกจากทองทําไงทําให้ทองเย็นเยนเอาสนิมออกได้ไหมไม่ได้เหล็กถ้าจะเอาสนิมออกจากเหล็กเนี่ยเป็นเหล็กเย็นเย็นนี้เอาสนิมออกได้ไหมไม่ได้แล้วทําไงก็ต้องเผาให้มันร้อนที่สุดเท่าที่จะร้อนได้แล้วก็เมื่อมันร้อนถึงที่สุดสนิมเป็นต้นมันก็กระเทาะออกเองสนิมทองมันก็กระเทาะ อ, ออกเองเพราะระบบที่หล่อหลอมฉันใดใจของเราก็ต้องมาหล่อล้อมด้วยคุณธรรมแต่ใครร้อนรนกวนกวายนะฟังให้ดีนะ หล่อล้อมด้วยคุณธรรมจนเต็มที่เนี่ยนะสร้างความตื่นตัวอย่างเต็มที่เมื่อคุณภาพจิตเจริญเติบโตอย่างเต็มที่นั่นแหละจึงจะมีการตรัสรู้เนี่ย น, นะกระเทาะบาปอากุศลออกจากใจได้แต่จะ ก, กระเทาะออกได้อย่างแท้จริงก็ต่อเมื่อมีอสังขตะธรรมเป็นอารมณ์ธรรมที่ออกจากสังขตะเป็นอารมณ์ในขณะที่กําลังห ล, ล่อล้อมความคิดที่ดีๆนั้นนะเป็นการวิจัย สังคตะธรรมทั้งหลายเนี่ยนะตามระลึกถึงความเป็นไปแห่งสังคตะธรรมทั้งหลายเพราะผู้ที่เจริญสติมากๆเนี่ยเขาชื่อว่ารู้ยิ่งสิ่งที่ควรรู้ยิง่งกําหนดรู้สิ่งที่ควรกําหนดรู้ได้ละสิ่งที่ควรละออกไปไหม <transitioning. S 1> ใช่ไหมขณะที่มีสตินี่ชื่อว่าเป็นการรู้ยิ่งสิ่งที่ควรรู้ยิง่งไหมเพราะันถ้าเราบอกว่าเรามีสติจริงเรารู้อะไรบ้างนเนี่ยส อ, อนะกําหนดรู้อะไรบ้างกาหนดว่าเป็นอะไร สามละอะไรออกไปบ้างว่าถ้ามีสติจริงก็ต้องได้รู้ยิ่งสิ่งที่ควรรู้ยิ่งกําหนดรู้สิ่งที่ควรกําหนดรู้ละสิ่งที่ควรละแล้วคุณภาพสติมันเพิ่มสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นบอกว่าคิดแบบหยาบๆก่อนนะลองดูว่าปีนี้กับ อ, อ, อะไรนะปีนี้กับปีที่แล้วเป็นยังไงในยาเดียวกันว่าวันนี้ของปีหน้าเนี่ยนะมันจะเท่านี้ไหมเท่านี้ไหมดีไหมโอ้รักษาได้คุณภาพได้ดีเยี่ยมได้เท่าเดิมเลยนะ แสดงว่าไม่ดีแล้วถามว่าควรจะเจริญเติบโตแค่ไหนควรจะมีสติเท่าไหนอีกสิบปีข้างหน้าควรจะมีสติเท่าไหนอันเนี้ยที่เรียกว่าภาวนาประทานนะภาวนาประทานคือตั้งไว้ไว้เลยว่าจะต้องเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะถ้าไม่มีการตั้งเพื่อความเพิ่มขึ้นจะเป็นไปได้ไหมบางคนก็สงสยัยว่าเอยตั้งไว้อย่างี้มีใครไปตั้งหรือเปล่ามีอตัตาตัวตนอะไรอยู่ในนั้นไหม คือในโลกนี้มันก็ไม่มีอัตตาอยู่แล้วล่ะทําให้มันเป็นมันก็ไม่เป็นนะอัตตาเนี่ยนะใครสร้างอัตตาเป็นได้ไหมแต่มิชาทิถีมีได้แต่ทําอย่างเงี้ยแบบคนเข้าใจผิดไหมถ้าไม่ได้เข้าใจผิดไม่ได้เกี่ยวอะไรกับอัตตาหรอกแต่ถ้าทําด้วยความเข้าใจผิดว่ามีอัตตาเป็นผู้ทํามีเป็นผู้ผถูกทาเป็นต้นแบบลัทธิเดียรทีเออถ้าอย่างนั้นก็ว่าไปอย่างแต่ น, นี้เนี่ยเราไม่ได้เข้าใจผิดอยู่แล้วเพราะว่าเพราะเพราะอะไร ทำไมจึงเรียกว่าไม่เข้าใจผิด<ม>ก็แยกแยะโดยความเป็นขันธ์ธาตุอายตนะ<ม>ก็หาสัตว์บุคคลในนั้นไม่ได้อยู่แล้วแต่ว่าที่ต้องเจริญที่มีการตั้งเป้าหมายก็คือเพื่อเพิ่มพูนคุณธรรมเนี่ยนะสตินี่แหละเป็นตัวจัดแจงสตินี่นะตั้งสติเพื่อให้มีสติได้ไห ม, มการเจริญที่ถูกต้องที่ทำกิจ ด, ด้วยความไม่ประมาทเหล่านั้นแหละเรียกว่าทาด้วยสติเป็นตัวสติที่มาทากิจของ สติเพราะสตินี่จะวางแผนเพื่อให้สติเก claro. ิดข <later kiss> <out> ึ้นได้นี่นะสติจะเกิดขึ้นเพื่อให้มีสติสติจะเกิดขึ้นเพื่อให้มีสติเขาเรียกว่าต่อยอดสูงสูงขึ้นไปยิ่งยิ่งขึ้นไปแต่อย่าลืมว่าสตินั้นถ้าเกิดขึ้นจะต้องมีความรอบรู้นะเขาเรียกว่ารู้ยิ่งกับปริญญาเขาเรียกว่ารู้ยิ่งกับรู้รอบรู้ยิ่งก็คืออภินญาเนี่ยยาแปลว่ารู้อภิแปลว่ายิ่งอภินญาก็คือรู้ยิ่งถ้าพินยยาก็แปลว่าควรรู้ยิ่งนี่นะ สตินี้เป็นกลุ่มอภิญญาเนี่ยนะสตินี้เป็นกลุ่มอภิญญาแล้วก็สตินี้เป็นตัวปริญญาปริญ ญ, ญาแปลว่ารู้รอบรอบรู้เนี่ยสติก็เป็นตัวปริญญาเหมือนกันทีนี้สิ่งที่สติไปรอบรู้เรียกว่าปริญ ญ, ญาะนะสตินี้เวลาเกิดขึ้นเขาจะทํากิดรู้ยิ่งในสิ่งที่ควรรู้ยิ่งเขาชื่อว่าได้กำหนดรู้ในสิ่งที่ควรกำหนดรู้เพื่อละในสิ่งที่ควรละเช่นละสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ออกไป แต่ถ้าเรามีศ า, า, าสกะสัมปชัญญะสิ่งที่ถูกละออกไปคือสิ่งใดที่ไม่มีประโยชน์จะถูกได้ละกําจัดออกไปเพราะมีการไข้ครวญมีการเจริญอย่างดีคนที่เจริญได้อย่างถูกต้องมีระบบมีรูปแบบเขาจึงกําหนดแทบจะกําหนดเวลาบรรลุได้เลยถ้าถ้าถ้าเขาไข้ครวนพิจารณาอย่างรอบคอบแบบคนที่มีสุตมยปัญญาอย่างดีเนี่ยนะไม่ไม่ใช่ปัญหา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 กายทั้ง14บบัพพาพิจารณาเวทนาทั้งเก้าเนี่ยนะพิจารณาจิตทั้ง16ประเภทพิจารณาธรรมะทั้งห้ากลุ่มนะนะนิวร์โพชงอายตนะเป็นต้นเนี่ยนะแต่ว่าในที่สุดก็คือตั้งเป้าไว้เพื่อการตรัสรู้อริยสัจเราก็มาตั้งมาคิดอีกในหนึ่งขึ้นชื่อว่าคำว่าตรัสรู้ตรัสรู้อะไรโดยทั่วๆไปเราก็ได้ยินคำว่าตรัสรู้ตรัสรู้เนี่ยตรัสรู้อะไรตรัสรู้อริยสัจทั้งหลาย ทีนี้ถามว่าแล้วสติสัมปชัญญะที่เราเจริญเจริญที่เรยกว่าเจริญสติไม่เลอะเลือนไม่หลงลืมมีสติตลอดเลยรู้ตัวไปหมดทําอะไรก็รู้ไปหมดระหว่างนั้นพอไหมจะพอไหมจะเห็นอริยสัจนะครแต่ตั้งคําถามว่าเออตอนที่โยมนั่งๆั่งอยู่นี่มีสติไหมถ้าถ้ามีใครถามอะไรมีสติไหมที่นั่งๆ่งอยู่เนี่ยเป็นสติสามโพชงไหม น, นะ เ, เป็นสติหรือไม่ก็ต้องดูว่าถ้าเป็นกุศลจิตเกิดขึ้นเรียวกว่ามีสติว่างนั้นเถอะ ถ้าขณะที่กุศลจิตเกิดขึ้นนี่มีสติแต่สติอันนี้เนี่ยนะเป็นสติสามโพชงไหมก็ต้องมาดูว่าตั้งเป้าไว้เพื่อการตรัสรู้ไหมตั้งเป้าไว้เพื่อการแทงตลอดอริยสัจไหมมีมีมีเรียกว่ามีทิศทางเพื่อการบรรลุอริยสัจไหมนั่นแหละถ้าเป็นสติที่มีเป้าหมายทิศทางเพื่อการรู้แจ้งอริยสัจเพื่อกาหนดรู้สิ่งที่ควรกาหนดรู้เพื่อละ สิ่งที่ควรละเพื่อทำให้แจ้งสิ่งที่ควรทำให้แจ้งเพื่อภาวนาเพื่อเจริญคุณธรรมที่ควรเจริญถ้าสติใดที่เป็นไปเพื่อทำกิจสี่ประการนี้สติอันนั้นก็เป็นสติสัมโพชงเรียกว่าตั้งเป้าหมายไว้อย่างถูกต้องพูดแบบภาษาภาษาพระธรรมหน่อยก็คือเจริญสติสัมโพชงอนอาศัยวิเวกอาศัยวิราฆอาศัยนิโรธะน้อมไปเพื่อการสละ แสดงตามพระสูตรหลายๆสูตรชเช่นนันทโกวาทสูตรเป็นต้นเนี่ยว่าเจริญสติสัมโพชงอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราฆาอาศัยนิโรธน้อมไปเพื่อการสละเจริญสติอันนี้เนี่ยนะที่กล่าวไปแล้วเนี่ยเพื่ออาศัยวิเวกอาศัยกายวิเวกจิตจิตตวิเวกอุปธิวิเวกนี้ในที่หนึ่งในที่สองเจริญเพื่ออาศัยตาทางฆาวิเวกวิคขำพนวิเวกสมุทเฉทวิเวกปฏิปัสสทิวิเวกและ นิสรณะวิเวกก็แปลว่าเจริญสติอันนี้เป็นไปเพื่อสมอะเป็นไปเพื่อสมถะเป็นไปเพื่อวิปัสนาเป็นไปเพื่ออริยมรรคเป็นไปเพื่อทําให้แจ้งสามัญญผลและพระนิพพานคือคือมีเป้าหมายเพื่อโล ก, กุตระรมโดยส่วนเดียวอ่ะนะตั้งคุณธรรมเหล่านี้พูดแบบทางโลกก็คือเหมือนกับว่าใครทีอ่อยากจะเดินทางไปที่ ท, ที่ที่ไหนสักแห่งหนึ่งอ่ะนะที่เรียกว่าไปแล้วสบายอย่างเดียวเลยเนี่ยนะ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 นะถ้าตื่นเต้นเป็นยังไงใจสูงๆูงทต่ำเลยใช่ไมไม่ใช่อย่างนั้นอีกอนะมีความสม่ําเสมอทางจิตใจเนี่ยนะนะเป็นจิตใจที่ไม่ลุ่มลุ่มดอนดอนนะก็ก็กธรรมะระดับสูงเนี่ยนะเขาเลือกเฟ้นเอาคุณธรรมจากใจนะนะบีบใจเอาคุณธรรมเหมือนกันะ่ะใครเคยเห็นเขาคั้นรวงพึ่งไหมเขาคั้นรวงพึ่งนะพึ่งก็เป็นรังๆนะเขาก็มาคั้นเอาแต่น้ํำพึ่งชั้นใดก็ใจที่มันหล่งให้ประเภทเนี่ยมันมีทั้ง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 สติเพราะสตินี่จะวางแผนเพื่อให้สติเกิดขึ้นได้นี่นะสติจะเกิดขึ้นเพื่อให้มีสติสติจะเกิดขึ้นเพื่อให้มีสติเรียกว่าต่อยอดสูงสูงขึ้นไปยิ่งยิ่งขึ้นไปแต่อย่าลืมว่าสตินั้นถ้าเกิดขึ้นจะาก็จะมีความรอบรู้นะเรียกว่ารู้ยิ่งกับปริญญาเรียกว่ารู้ยิ่งกับรู้รอบรู้ยิ่งก็คืออภินญาเนี่ยยาแปลว่ารู้อภิแปลว่ายิ่งอภินญาก็คือรู้ยิ่งถ้าพินยยะก็แปลว่าควรรู้ยิ่งนี่นะ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 เสียหายตรงไหนถ้ามีสติจริงๆเนี่ยรู้เลยว่าความฟุ้งซ่านที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเสียหายขนาดไหนอยางงี้ก็แล้วกันถ้าผู้ที่เป็นผู้บริหารนี่เห็นชัดถ้าลูกน้องแต่ละคนก่อกวนหมดเลยอะไรจะเกิดขึ้นสมมติถ้าขามาบรรยายธรรมนี่โยมชวนกันคุยหมดเลยนวนะทุกคนมีเรื่องธุระของตัวเองขโมงชงเชงหาของกันยกบันยายนเลยนะถามว่ามันได้งานไหมอ้าวถ้าใจเรามันเป็นอย่างนั้นมั่งจะเป็นยังไง มันก็ไม่มีประโยชน์อะไรพ่านถ้าแต่ละคนเนี่ยเต็มไปด้วยความชุลมุนวุ่นวายใครอยากทําอะไรก็ทําทําอย่างที่ใจอยากทำะนะแล้วแต่อัฟุ้งซ่านนี่มันเป็นอย่างนั้นจริงๆะนะเรื่องหนึ่งมันภายในห้านาทีนี่คิดได้ยี่สิบสามสิบเรื่องแล้วก็ไม่รู้จริงสักเรื่องด้วยไม่รู้คิดให้มันเป็นอะไรเรียก ว, ว่าฟุงา้งซ่านถามว่าถ้าฟุ้งซ่านแบบนี้เนี่ยนะทํำยังไงไม่ให้มันฟุง้งซ่านสมัยนั้นต้องทํำยังไงเพื่อไม่ให้มันฟุง้งซ่าน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 แล้วทํายังไงจึงจะสงบระงับและเลึกถึงอะไรให้จใจสงบระงับเพราะสติเป็นตัวสติเนี่ยเป็นธรรมที่จําปรารถนาในที่ทั้งปวงเนยนะแล้วทํายังไงจึงจะสงบระงับทํายังไงจึงจะเจริญปัตสัตธิสัมโพชงยามฟุง้งซ่านก็บอกว่าเวลาฟุ้งซ่านเนี่ยนหนึ่งบางทีเนี่ยความฟุ้งซ่านเนี่ยมันเกิดจากอะไรบ้างบางทีเกิดจากโภชนะก็ได้เนี่ยนะก็ดูว่า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 มากเกินไปหรือเปล่าหลายๆอย่างนี่เกินไปไหมนะแค่ว่าสังเกตดูว่าเจริญเช่นอ่านพราไตรปิฎกนี่ย้ยอ่านอ่านทั้งมานทั้งคืนเป็นต้นเกินไปหรือเปล่าเนี่ยต้องหาความพอดีให้พบนะบางคนบอกโอ้ยฟังฟังฟังฟังจนเทพพังไปเครื่องหนึ่งเลยนะฟังเทพพังก็เลยเลิกเลยก็มีนั่นก็เกินไปอีกมันแค่ว่าหาความพอดีให้พบเนี่ยนะอะไรที่เกินขึ้นไปโดยมากเหลือร้อนหมดนะแล้วเป็นยังไงคลุกคลีกับคนฟุ้งซ่านอยู่หรือเปล่า คบกับคนกระสับกระส่ายรู้เปล่าหรือคบกับคนวุ่นวายเนี่ยนะคบกับคนวุ่นวายใจเราก็พลอยวุ่นวายตามไปด้วยพันธุ์ก็ต้องเลือกหาคบคนที่สงบอย่างหนึ่งแล้วก็พิจารณาถึงธรรมที่สงบเราแล้วเลือกไว้เสมอว่าธรรมะสูตรใดที่จะทําให้ใจเราสงบที่สุดอัน น, นเราก็เอาสูตรนั้นมาแล้วเลือกไว้บ่อยๆคือคนที่ศึกษาพระธรรมเนี่ยนะควรจะมีสูตรประจําใจสักคนละสองสามสูตร นะเช่นว่าเวลาที่ตัวเองฟุ้งซ่านควรจะนึกถึงสูตรไหนดีนึกแล้วสบายใจนึกแล้วสงบใจจะต้องมีสักสูตรหนึ่งนะเขาเรียกว่าเป็นอะไรนะเป็นเหมือนกับบางคนที่อายุมากๆหน่อยเขาจะมียาประจําตัวใช่ไหมเพราะมันจะมีโรคประจําตัวคนละอย่างสองอย่างเนี่ยนะบางคนก็มียาหอมยาดมไปติดตัวเนี่ยนะนะบางคนก็ยาอะไรนะยาอมติดตัวบางคนก็ยานวดยาทาติดตัวเนี่ยนะนะมีปัญหาก็ยาของเขาเนี่ย ประจำตัวก็เลยแหละนี่ก็เหมือนกันเราจะทํายังไงให้มีกรรมฐานประจําใจแบบนั้นสักมีพระสูตรประจําใจเนี่ยนะบอกว่าตอนแรกเลือกหาพระสูตรที่ตัวเองคิดว่าเหมาะที่สุดเนี่ยนะเอะ้เราเนี่เป็นคนมักฟุ้งซ่านตัวระลึกถึงสูตรนี้เมื่อไหร่เราเย็นสบายใจทุกครั้งเลยเนี่ยนะก็หาสูตรเหล่านั้นมาม า, มาสาธยายมาท่องให้จําเลยนะเอาให้ชํานาญเลยกลายเป็นว่ามีพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งไว้คอยคอยกํากับดูแลพระสูตรถ้ามองเห็นหนึ่งสูตร มีคุณเท่ากับพระพุทธเจ้าหนึ่งองค์นี่วิเศษมากแต่จริงๆอธิกาท่านบอกให้คิดอย่างนั้นจริงๆท่านบอกอย่างนั้นเลยนะว่าพระสูตรแต่ละสูตรบางทีเท่ากับพระพุทธเจ้าหนึ่งองค์หรือบางทีหนึ่งสูตรเนี่ยเท่ากับพระพุทธเจ้าสองส อ, องค์ด้วยซ้าไปเพราะหนึ่งสูตรบางทีมีหลายธรรมขันธ์ท่านเราสามารถทรงจําพระสูตรที่เอาไว้สระงับความฟุ้งซ่านบางคนเอายิ่งฟุ้งอยู่แล้วเนี่ยไปคิดถึงพระสูตรก็ฟุ้งหนักเขาไปอีกสินั่นเป็นสูตรที่เรามันจําไม่ค่อยได้นะ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 ก็เอากัปะเทระคาถาเป็นต้นเนี่ยนะพระสูตรที่เกี่ยวากาับสุภาษณ์เนี่ยมาสาธยายไว้เป็นปกติเป็นอัธยาศัยหรือวิชยสูตรก็ได้เนี่ยนะสาธยายเอาไว้บ่อยๆให้ใจชำนิชำนาญหรือเป็นคนที่หลงละเิงคิดไปเรื่อยมรณ า, านุสติสูตรเป็นต้นก็ามาสาธยายไวบ้บ่อยๆแล้ลิกถึงความตายไว้เสมอมันพระสูตรเหล่านี้จะช่วยเรามากเลยนะพระสูตรเหล่านี้จะช่วยมากถ้าเราจําได้จริงๆอ่ะอันนี้ยกเป็นตัวอย่างนะแต่ว่าสูตรทุกสูตรนี่เชื่อเถอะ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 ก็มีบางคนเนี่ยโอ้ยอยากจะจําให้มันเยอะๆๆๆๆก็ท่องไปเรื่อยแล้วไอ้ข้างหลังก็ลืมหมดแล้วท่องไปข้างหน้าข้างหลังก็ลืมใครว่ามันเป็นอย่างงี้จริงๆเหรอเนีลืมอย่างบางคนเนี่ยท่องได้ทั้งหลายสูตรเผลอไปคิดเรื่องอื่นแพศเดียวเนี่ยนะเทากับท่องใหม่อีกแล้วเนี่ยนะกลายเป็นว่าเป็นคันถะเปริยพดมากังวลในเรื่องการท่องจําและสาธยายเอาพระสูตรที่มันชะงัดใจของเรานี่แหละให้มันดีๆบางส่วนที่เหลือให้หนังสือเนี่ยเขาช่วยจําให้ ใช่ไหมเอาหนังสือเขาช่วยจํำเลยแล้วแล้วจำแม่นด้วยนะ well, ไม่มีพลาดนะถ้าไม่ให้ปลวกมันช่วยกัดไปก่อนเนี่ยนะมันจะจําแม่นอยู่แล้วพรานเราเลือกเอาสูตรบางสูตรที่เราประทับใจที่เราพอใจหรือได้สองสูตรก็ได้สามสูตรก็ได้แต่ถ้าจะได้มากนี่ไม่ห้ามแต่ไอัที่มากเกินไปแล้วจาไม่ได้สักอย่างเนี่ยอันนี้ก็เกินไปอีกเข้ามามีเพื่อนหลายคนนี่ย่คนหนึ่ง Buddhism, อู้หูท่งท่องท่องท่อท่องท่อ ง, อ ง, อ ง, อ ง, องวันท่องคืนพอมันเลิกมันเลิกจริงๆเลยไม่จําอะไรแม้สักอย่างเดียวเนี่ยนะ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 ยี่สิบทีถ้าหมื่นครั้งก็ได้บุนเป็นหมื่นทีอยู่แล้วก็ให้ใจมันเป็นไปกับธรรมะเหล่านั้นเธอเนี่ยนะถ้าเราเป็นผู้ที่มีศรัทธาในพระพุทธเจ้าก็หาพระสูตรเป็นที่ตั้งแห่งความเลื่อมใสามาท่องมาสาธยายก็บอกว่าบอกโอ้ยท่านจําแม่นไม่ยากหรอกใครบอกนะทําไงรู้ไหมเขามาปิดไว้หน้าห้อ ง, องมีกติกาว่าถ้าเข้าหนึ่งทีต้องอ่านหนึ่งครั้งถ้าจะออกห้องก็แบบวันไหนขี้เกียจก็ไม่อยากออกไม่อยากเข้าอะนะ เปิดไว้ติดไว้เลยนะเข้าต้องอ่านหนึ่งครั้งออกแล้วก็อ่านหนึ่งครั้งเข้าอ่านหนึ่งครั้งออกนั่นถ้ามีธุระเข้าห้องสิบครั้งเนี่ยอ่านสิบรอบโอ้ถ้าว่าอย่างงี้สักสิบเออสักห้าเดือนจะเป็นยังไงจําได้อยู่แล้วอ่ะนี่ก็เหมือนกันแบบว่าเ อ, อ่าอ่ารสักแบบมิกแบบเหมือนอะไรนะเหมือนกินยาตามเวลาเอามาว่าตามเวลาตามเวลาเดี๋ยวมันก็จําได้เดี๋ยวก็ท่องได้เดี๋ยวก็คุ้นเคยได้สําหรับคนที่ปัญญาน้อยทั้งหลายเนี่ยนะจำอะไรไม่ค่อยได้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 ขี้เกียจอีกแล้วแหมมันมันไม่ก็อยากคิดอะไรนะมันแบบทําตัวเหมือนคนเฉยๆว่างั้นเหมือนดีว่างั้นทําเป็นเฉยๆไม่คิดอะไรโอ้ยอุเบกขาว่างั้นหนักในอุเบกขาหรือหนักในโมหะกันแน่เนี่ ย, ยนะเขาบอกว่าสุขเวทนาใกล้ต่ออะไรราคะทุกเวทนาใกล้ต่ออะไรโทสะอุเบกขาเวทนาใกล้ต่ออะไรโมหะเขาบอกโอ้ยเขาเนี่ยเนฉะยๆอะไรก็เฉยๆไปหมดเลย เป็นทานไหมบอกไม่ศีลใช่ไหมไม่ใช่สมถะใช่ไหมไม่ใช่วิปัสนาใช่ไหมไม่ใช่ใชเฉยในพระธรรมสูตรใดสูตรหนึ่งใช่ไหมไม่ใช่พิจารณาอริยสัจอยู่สักข้อหนึ่งใช่ไหมไม่ใช่เฉยมันก็มีอันเดียวอนะตกลงนะโมหะอันเดียวนั้นเฉยอันนั้นควรละอย่าเจริญต่อไปเลยนั่นนะมันให้มองความใช้เฉยนั้นเป็นความเสียหายก็อย่างที่ว่าบอกถ้าใช้เฉยแบบนั้นบ่อยๆเนี่ยสมองเสื่อมแน่ มองไม่ทํางานวางัน้นเครียกว่ารูปประกายเนี่ยเหมือนกับว่าแขนไหนที่ไม่ค่อยใช้งานในแขนนั้นจะรีบรีบฉันใดถ้าเราไม่ใช้ความคิดบ่อยๆในะรูปมันก็มีปัญหาคุณภาพของสติปัญญาก็ลดลงเพราะฉะนั้นอย่ายินดีในความเฉยเลยเนี่ยนะแต่ถ้าเฉยเกือบบรรลุเฉยรอบรรลุเป็นต้นถ้าอย่างนั้นก็ไม่มีปัญหาแบบแบบอะไรนะสังขารุปเปกขาหยาดแต่เฉยอันนั้นเฉยด้วยปัญญานะแต่ถามว่าปัญญานี้เกิดร่วมกับความเฉยเฉยใช่ไหม เกอร่วมกับสมนัสก็มีเกอร่วมกับอุเบกขาก็มีแต่ว่าใช้ด้วยอนุภาพของปัญญาถ้าอย่างนั้นก็ใช้ในสมัยที่ควรใช้บอกเพราะมันทําอะไรไม่ได้แล้วระหว่างนี้ถ้าอย่างนั้นก็ก็ดีเพรัะเป็นคนที่มั่นเลือกเฟ้นมัน่นวิจัยมัน่นไข้ครวนมัน่นพิจารณาให้รอบคอบเป็นคนที่ละเอียดล ะ, ละออถี่ท่วนในจิตของตนผู้ที่มีความละเอียดละออถี่ท่วนในการวิจัยจิตของตนอันนี้แหละเรียกว่าคนมี สติสัมโพชฌงค์เพราะสตินี้เป็นตัวปรับว่าสมัยนี้เป็นสมัยควรเจริญวิริยะสัมโพชฌงค์ปีติปัสสัททิหรือเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค์งนี่สติเป็นตัวจัดแจงอันหนึ่งสิ่งที่ควรละต่อไปนี่อาคุศลเป็นประโยชน์ไหมไม่เป็นก็อกุศลทั้งหลายก็จะถูกละออกไปเนี่ยนะเพราะั้นคนที่มีสมติอย่างถูกต้องเนี่ยนะปล่อยให้อาคุศลเกิดขึ้นไหม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 ถ้าใจเรามันเป็นอย่างนั้นบ้างจะเป็นยังไงมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรพันธาตแต่ละคนเนี่ยเต็มไปด้วยความชุลมุนวุ่นวายใครอยากทําอะไรก็ทําทําอย่างที่ใจยอยากทำอ่นะแล้วแต่ أ, ออักฟุ้งซ่านนี่มันเป็นอย่างนั้นจริงๆอะเรื่องหนึ่งมันภายในห้านาทีนี่คิดได้ยี่สิบสามสิบเรื่องแล้วก็ไม่รู้จริงสักเรื่องด้วยไม่รู้คิดให้มั น, เ ป, นเป็นอะไรเรียก ว, ว่าฟุ้งซ่านถามว่าถ้าฟุ้งซ่านแบบนี้เนี่ยนะทํำยังไงไม่ให้มันฟุ้งซ่านสมัยนั้นต้องทํำยังไงเพื่อไม่ให้มันฟุ้งซ่าน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 วันหนึ่งได้เป็นร้อยครั้งหนึ่งครั้งก็ได้บุญหนึ่งทีสิบครั้งก็ได้บุญสิบทียี่สิบครั้งก็ได้บุญยี่สิบทีถ้าหมื่นครั้งก็ได้บุญเป็นหมื่นทีอยู่แล้วก็ให้ใจมันเป็นไปกับธรรมะเหล่านั้นเธอเนี่ยนะถ้าเราเป็นผู้ที่มีศรัทธาในพระพุทธเจ้าก็หาพระสูตรเป็นที่ตั้งแห่งความเลื่อมใสมาท่องมาสาธยายก็บอกว่าบอกโอ้ยท่านจําแม่นไม่ยากหรอกใครบอกมนะทําไงรู้ไหมพอมาปิดไว้หน้าห้องมีกติกาว่าถ้าเข้าหนึ่งทีต้องอ่านหนึ่งครั้ง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 มาสาธยายดูถ้าทรงจําได้ก็เอามาสูตรแต่ถ้าอยู่ในใจได้เนี่ยนะอันนี้เขาเรียกว่ามนมนนี่แปลโดยศัพท์แปลว่าอะไรแปลว่าความรู้เนี่ยนะมันตะนี่แปลว่าความรู้ก็กลายเป็นมนประ จ, จําใจเรียกว่าเวทก็ได้เวทก็แปลว่าความรู้กลายเป็นผู้มีเวทมนประจําใจเนี่ยนะคิดว่าใจที่ไม่มีเวทมนเป็นยังไงใจมืดใจบอดใจโง่ใจเขา่าเนี่ก็ให้มันเป็นใจมีเวทมีมนเนี่ยเวลาฟุ้งสร้างเอาคาถานี้มาได้เลย ันะระงับผีคือความฟุ้งซ่านอยู่ในใจเนี่ยนะท่องคาถาเวทมนต์อันนี้แหละเพื่อระงับอะไรนะผีคือความฟุ้งซ่านที่อยู่ในในใจนี้เอาไปเอามันดั้งขี้เกียจตีทํำไงเนี่ยเกิดมันท้อแท้เกิดมันท้อถอยขึ้นมาเนี่ยนะเกิดความเบื่อหน่ายอันนี้เป็นสมัยที่ต้องเจริญธรรมวิจยะสัมโพชฌงเป็นสมัยที่ต้องเจริญวิริยะสัมโพชฌงเป็นสมัยที่ต้องเจริญปีติสัมโพชฌงอนะัต้อง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 อย่าเจริญต่อไปเลยเนี่ยนะมันให้มองความใช้เฉยนั้นเป็นความเสียหายก็อย่างที่ว่าบอกวถ้าใช้เฉยแบบนั้นบ่อยๆเนี่ยนะสมองเสื่อมแน่มองไม่ทํางานเหมือคกัเรียกว่า ร, วรูปประกายเนี่ยเหมือนกับว่าแขนไหนที่ไม่ค่อยใช้งานในแขนนั้นจะรีบรี บ, รบฉันใดถ้าเราไม่ใช้ความคิดบ่อยๆในรูปมันก็มีปัญหาคุณภาพของสติปัญญาก็ลดลงเพราะฉะนั้นอย่ายินดีในความใช้เลยเนี่ยนะ แต่ถ้าเฉยเกือบบรรลุเฉยรอบรรลุเป็นต้นถ้าอย่างนั้นก็ไม่มีปัญหาแบบแบบอะไรนะสังขารุเปกขาญาณแต่เฉยอันนั้นเฉยด้วยปัญญานะแต่ถามว่าปัญญานี้เกิดร่วมกับความเฉยเฉยใช่ไหมเกิดร่วมกับโสมนัสก็มีเกิดร่วมกับอุเบกขาก็มีแต่ว่าเฉยด้วยอนุภาพของปัญญาถ้าอย่างนั้นก็เฉยในสมัยที่ควรเฉยบอกเพราะมันทาอะไรไม่ได้แล้วระหว่างนีน้ถ้าอย่างนั้นก็ ก็ดีพันเป็นคนที่มันเลือกเฟ้นมันวิจัยมันไข้ครวญมันพิจารณาให้รอบขอบ้อเป็นคนที่ละเอียดละอีลออีทีทวนในจิตของตนผู้ที่มีความละเอียดละ อ, อีทีท่วนในการวิจัยจิตของตนอันนี้แหละเรียกว่าคนมีสติสัมโพชฌงเพราะสตินี้เป็นตัวปรับว่าสมัยนี้เป็นสมัยควรเจริญวิริยะสัมโพชฌงปีติปัสสัทถิหรือเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงนี่สติเป็นตัวจัดแจง